เกับแรงกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกมีบ่อน้ำบ่อหนึ่งที่นั่นเป็นบ้านของเต่าที่ฝันอยากจะบินได้ทุกครั้งเขาจะคิดหาทางทำตามฝันเสมอป่านั้นเป็นป่าที่สวยงามและมีนกมากมายบนท้องฟ้าพวกมันบินขึ้นและลงมาที่บ่อน้ำตอนมันหิวน้ำเต่าเอาแต่มองพวกมันอยู่นาน และต้องการที่อยากจะบินได้มาเสมอโอ้ดูพวกมันสิสวยงามแค่ไหนพวกมันน่ะมีความสุขที่ได้บองโลกจากข้างบนพวกมันน่ะใกล้กับก้อนเมฆพวกมันเล่นกับอะไรก็ได้ฉันอยากจะบินได้บ้างจังเลยเต่าไม่สบายใจขึ้นเรื่อยๆเขาอยากจะขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่ละวันผ่านไป เขาเอาแต่ฝันที่อยากจะบินขึ้นทุกวันวันหนึ่งเขาได้เกิดไอเดียเขารีบไปหาอีแรงแล้วบอกกับอีแรงอีแรงซึ่งอยู่บนต้นไม้แรงพูดออยากว่าง่ายตายินดีที่ได้เจอนายลองว่ามาวันนี้มีอะไรเหรอที่พือนได้แรงที่สุดในป่าและนายก็บินขึ้นท้องฟ้าได้สูงที่สุด ใช่ฉันอยากจะรู้ว่าทำไมนายถึงมาชมฉันแล้วทำไมต้องพูดถึงเรื่องบินเตาน้ำมันบินไม่ได้นะต้องการอะไรฉันอ่ะมีความฝันได้ช่วยฉันจะได้ไหมอ๋อโอเคอยากจะให้ฉันช่วยอะไรบอกมาเลยฉันจะพยายามช่วยนายฉันอยากจะบินได้ขึ้นไปบนท้องฟ้า เพื่อไปดูโลกกว้างมันจะเป็นไปได้ยังไงเราต้องมีปีกแต่นายนะ่ะไม่ได้มีปีกนะบินไม่ได้หรอกฉันก็เลยต้องการให้นายช่วยไงพาฉันขึ้นไปบนท้องฟ้าทีแล้วค่อยปล่อยฉันลงมาและฉันก็จะได้บินแล้วก็เห็นท้องฟ้าด้วยแต่ว่ามันอันตรายมากเลยนะ ไม่ต้องห่วงฉันไม่เป็นอะไรหรอกแล้วนายว่ายังไงบ้างละ่ะได้โปรดก็ได้แล้วแต่แล้วกันเพื่อความต้องการของเต่าอีแรงก็เอาเต่าขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วบินไปไกลเขาขึ้นไปบนท้องฟ้าสุดท้ายเต่าก็ได้ขึ้นฟ้าตามที่หวังดูนั่นสิ โลกนี้สวยมากฉันเกือบจะแตแกเมฆได้เลยนะเนี่ยฉันขออีกนิดนะแล้วนายน่ะก็ค่อยปล่อยมือฉันจะได้บินนี่ฟังนะนายน่ะเป็นแค่เต่านายน่ะบินไม่ได้หรอกมันไม่ถูกต้องนายน่ะคิดมากเกินไปปล่อยมือหนะ้าฉันจะได้บิน นออไไรดด้คยูใหีอีแรงพยายามอธิบายแต่ว่าเต่าไม่ฟังสุดท้ายเขาก็บินขึ้นไปแล้วปล่อยมืออย่างที่คิดเอาไว้เต่าบินไม่ได้ว้าวฉันบินได้วันนี้เป็นวันที่ดี เนะตเเาเ่าขึ้นไปบนท้องฟ้าได้เพราะอีแรงแต่เพราะเขาไม่มีปีกเขาจะบินได้ยังไงเ<ๆ>ขาตกลงบนพื้นเสียงดังฉันกำลังจะตายด้วยความเจ็บปวดฉันทำอะไรลงไป ฉันน่ะโง่มากแรงพยายามเตือนฉันแล้วแต่ฉันไม่ฟังฉันน่ะโชคดีมากที่ลงจอดด้วยกระดองถ้าฉันไม่มีกระดองแล้วก็วันนี้ฉันก็คงตายแน่ๆเลยเต่าเข้าใจความผิดพลาดของเขาเขารู้แล้วว่าแต่ละคนนั้นจะมีความสุขได้ในแบบที่ต่างกันเขากลับไปที่บ่อน้ำ แล้วอยู่อย่างมีความสุขตลอดไปเห็นไหมว่าเต่าชอดใช้ในความเขลาของตัวเองแต่เรามีความฝันแล้วมันผิดเหรอฮะแน่นอนว่าเราต้องฝันเราจะฝันกี่อย่างก็ได้แต่เลือกฝันที่เราอยากจะทำตามเลือกอย่างฉลาดเราจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเด็ดขาดเราทุกคนควรจะมีความสุขกับสิ่งที่มีเราทุกคนล้วนต่างกัน นั่นทำให้เราเป็นคนพิเศษซึ่งมันจะทำให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เรามี